แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับความเป็นอารยะสาวกสำหรับความเป็นอยู่และกิจการทั้งหลายในโลกนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งอาจมีสุตะในศิลปะวิทยาเพียงอย่างหนึ่งก็พอสำหรับการดำรงชีวิตคนหนึ่งก็มีสุตะในเรื่องหนึ่งต่างคนต่างสุตะกันไปสุตะของคนหนึ่งไม่จาเป็นสําหรับอีกคนหนึ่งไม่มีสุตะใด ที่จําเป็นสําหรับทุกคนเสมอเหมือนกันนอกจากนั้นสุตะประเภทนี้ยังไม่ใช่สุตะที่ปราศจากโทษแม้ว่าโดยความมุ่งหมายเดิมสุตะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทําให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกประสบอิสระภาพและมีความสุขแต่มีบ่อยครั้งที่กลับเกิดผลตรงข้ามกลายเป็นเครื่องมือสร้างปัญหา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 จะต้องนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญาซึ่งเป็นความรู้ระดับแยกแยะวิจัยวินิจฉัยและจัดการโดยนำไปปฏิบัติตามหลักที่ว่าให้หลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่หรือธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะสำเร็จผลในการใช้งานอย่างแท้จริง